ในการพูดให้การฟังบ้างในการปฏิบัติกันไปบ้างทั้งได้ยินได้ฟังทั้งเอาไปทําดูสิ่งที่เราได้ทําก็ทําตามสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินเราก็เอาไปทําให้มันเป็นส่วนประกอบให้มันสมดุลจึงจะเป็นการปฏิบัติเราพยายามที่จะ ทำเรื่องหลายๆเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวสรุปลงมาทำเรื่องเดียวเป็นหลายๆเรื่อง <_ c oughs> เป็นชีวิตของเราก <_ c oughs> ็าจะว่าก็ชิเเลขพันห้าตันหารอยแปดมีความโลภ ค, ความโกรธความหลง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 84% ดหมพเรื่องถ้าเรามาคิดได้ยินจากนี้เราก็พอใจบางทีก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรมอบให้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าไปการตต่สรูปของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระรหัตทั้งหลายก็เป็นเรื่องของพระรหันแต่สาวกทั้งหลาย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 ปัญหาต่างๆก็เรื่องของกายของใจเราจึงมาดูว่ามันคืออะไรกันแน่เราจึงมาจเจริญสติดูสิว่ามันคืออะไรไม่ต้องไปใช้สมองไม่ต้องไปใช้ความคิดเหตุผลอันใดเองแต่เรามาลู้สึกตัวลู่จุตัวกับอรีบ ท, ที่เราเจตนาเป็นรูปแบบเป็นนิมิต ว่าต่ให้สติมันอยู่ตรงนี้ให้มันรู้อย่างนี้ให้มันรู้อย่างนี้แต่ <c oughs> สติมันได้ดูได้รู้ได้เห็นเรื่องเดียวนานๆมันจะเกิดอะไรขึ้นแหละตรงนั้นนั่นแหละเราสร้างความรู้ <c oughs> มันราจะเกิดความหลงแล้วมันคืออะไรความหลงมันคืออะไรแล้วก็มัได้หลงไปตามความหลง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 เราก็หามาไม่มากมายหลายหลายอย่างเป็นวันสดุอุปกรณ์เิดความรู้สักตัวเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจนี่แหละ <c oughs> หามาแล้วรูปแบบจพิงๆแึงซึ่งเป็นหลักเป็นฐานให้นสมกับชื่อว่าวิชากรรมฐานหรือแบบว่ามีที่ตั้งมี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 การยกมือสร้างจังหวะก็เป็นกายการเดินจงกรมก็เป็นกายการหายใจการลิปตาการคืนน้ำลายคู่เยียดเคลื่อนไหวทั้งหมดเอามาเป็นวัสดุประกอให้เกิดความรู้สึกตัวเจตนาที่เราทำมันก็เป็นหลักอยู่แล้วยกมือสร้างจังหวะส4บสี่จังหวะ เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันเป็นหลักสูตรมันเป็นสูตรเราสูตรย่อยๆมันก็มีเหมือนเราเรียนสูตรคูณเราขยายไปเป็นนันบวกลบคูณหารได้หลักของการเจริญสติที่เราเรียกว่ากายานุปัฏนาเนี่ยเอาดุนดุนก้อนก้อนมาทำไม่ต้อง มีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนรู้ซื่อซื่อรู้ตรงตรงให้มันรู้ซื่ อ, อถ้าเป็นสติจริงๆมันจะซื่อซื่อตรงๆไม่มีอะไรที่ไปบังคับกับสามันรู้อยู่ตื้นตื่นไม่ลึกไม่ลึกลับแทงพลิกมือขึ้นก็รูนะ้ตื้นตื่นไม่ลึกลับมันลึกซึ้ง พอพลิกมือก็รู้พับลึกซึ้งไม่ต้องไปหาไม่ต้องประเหต์เขาโผล่ฉันรู้หรือเปล่ามือของฉันวางอยู่บนเข่าฉันรู้หรือเปล่าไม่มีคำถามว่ามือของเราอยู่ตรงไหนเราก็รู้เองเราพลิกมือขึ้นเราก็รู้มือเราพลิกหรือยังไม่มีคำถามเรายกมือเรายกหรือยังหนอมือเราเไม่มีคำถามมันรู้ซื่อ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 มันเป็นกรรมกรรมมันจึงจะจำแนกไปเป็นผลใจถ้าไม่มีกรรมมัวไปว่าเหตุเอาผลมันก็เป็นความคิดมันไม่ใช่เป็นของจริงผลมันจะจำแนกไปเองว่าแต่เราทำกรรมตรงนี้ทำสบายๆทำเบาๆวางๆคลายๆเรื่องของกายก็คลายๆ ต่ไปกดไปกึงเพราะความรู้สึกตัวมันเป็นความพอดีพอดีไม่ตึงไม่เครียดไม่ย่อนถ้ารู้สึกตัวถ้ามีอะไรไปซ้อนกับความรู้สึกตัวเข้าไปอาจจะเครียดอาจจะง่วงได้ง่ายอาจจะหนัก <c oughs> นั่งอาจจะได้นาะนได้ไม่ค่อยนานาก็ตั้งอยู่ไม่ค่อยนานถ้าทำเบาๆง่ายๆมันอยู่ได้นาน การดั่งก็ดั้งในนานมันเบาเบามรู้สึกตัวนี่มันเบาเบาทำเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาความรู้สึกตัวทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแต่ว่ารู้แล้วเพราะว่ารู้แล้วมันจบแล้วเราทำอยา่างนี้บางทีของที่มันเบาเาเราไปทำให้มันหนักของที่มันทำาหง่ายเราไปทำให้ยากบางคนพอปฏิบัติก็เครียดไปเลย อยากรู้อยากรู้อา้าวไปเอาความอยากมามาประกอบกันอีกแล้วกลัวมันจะผิดอา้าวไปกลัวผิดอีกแล้วอยากได้ถูกก็ อ, อ้าวความอยากได้ถูกก็เกิดขึ้นมาแล้ว <c oughs> ต่อมันหลงไปก็อา้าวไม่อยากให้มันหลงหรือว่าผิดแล้วอาไปผิดไปถูกไปหลงไปรู้อยู่มันไม่ใช่ตัวปฏิบัติคือตัวรู้สิตัวตัดไปเลย รู้สึกตัวรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันมง่ายง่ายไม่ลึกลับซับซ้อนอะไรใครก็รู้ได้เป็นของนำหน้าเป็นของโชว์ความรู้สึกตัวเป็นของที่โชว์เห็นได้ง่ายไม่ต้องไปเปิดหาไม่ต้องใช้เขาว่าหามันมีอยู่แล้วไม่เหมือนกันบรไปหาของที่มันหายไป ของที่มันมีอยู่แล้วทำโชว์ขึ้นมายกให้มันโชว์ขึ้นมารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันเห็นได้ชัดกว่าอย่างอื่นกลองหลงย่างยากกว่าความรู้ด้วยซ้ำไปยพอความรู้สึกตัวง่าง่า ย, ายมันมันเป็นของคู่กับกายกับกจิตจริงๆแต่ความรู้สึกตัวก็ช่วยเราอยู่ไม่นี้ไปหนไย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 กานสำรวมลงบ้างอาณธนะทั้งหลายสำรวมลงมาอยู่ที่การเคลือ่อนไหวประตูเดียวถ้ามันจะเห็นทางตาไม่จำเป็นก็ต้องอยาไปดูมันถตามันจะหลงไปทางหูไม่จำเป็นก็อยากไปฟังมัน วางแล้วก็จะไปใส่ใจเอาถูกเอาผิดกับตากับหูกับลูกกับรถกับกลิ่นกับเสียงตัดมามาดูมารู้สึกตัวกับกายไปก่อนให้โอกาสเข้าข้างความรู้เจกตัวให้มากมากเข้าข้างความรู้สจกตัวให้มากๆ า, า, า, ก ใ, หากๆให้ออกหน้าออกตาให้เป็นใหญ่ให้เป็นใหญ่ช <c oughs> ีวิตเรา แต่ก่อนความหลงอาจจะเป็นใหญ่วันนี้ให้ความรู้สึกตัวเป็นใหญ่แม้นอะไรจะเกิดขึ้นต้องกลับมารู้สึกตัวก่อนจึงค่อยไปตอบจึงค่อยไปสุขจึงค่อยไปทุกข์ถ้าด่วนไปสุขไปทุกข์ด่วนไปผิดไปถูกมันสุดตรงไปทางหนึ่งถ้ากลับมาหาความรู้สึกตัวว่าจะเนื้อสุขเหนื้อสุขเหนื้อทุกข์เนื้อผิดเนื้อถูกทันที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 และอย่าไปทำตามความคิดให้รู้สึกตัวเช่อก่อนบางทีมันคิดจะลุกไม่ต้องลุกในเวลามันคิดดูดีๆเช่อก่อนกลับมารู้สึกกายเช่นก่อนถ้าจะลุกก็ลุกด้วยความรู้สึกตัวเห็นเวลาเราเดินจงกรมอยู่มันคิดจะนั่งก็อย่าไปนั่งตามความคิด ไวจนเกินไปเราจะตามหลังเขาเขาจะออกหน้าแต่เพื้อติเปือไปความคิดนั่นนะ่ะก็เวลามาคิดจะนั่งก็ไม่ต้องนั่งรู้สึกตัวเช่ากอนดูดีๆก่อน <c oughs> อย่าเพิ่งทำตามถ้าเราจะนั่งก็นนั่งตามความรู้สึกของเรานั่งตามความรู้สึกของเรา <c oughs> เรียกว่าหัด อาจให้สติเป็นใหญ่เชื่อฟังเหมือนเราทำงานทำการไม่หัวหน้าเรายังไม่ ช, มนชมนานี่ชำนาญให้หัวหน้าพาทรรมให้ครูอาจารย์พาทมให้ครูอาจารย์สั่งให้ครูอาจารย์สอนอาจจะผิดน้อยแต่เราทำไปเลยอาจจะผิดมากปวดท้โ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 มันจะไม่เห็นของจริงเห็นเห็นกายเห็นเป็นรูปนะมันบอกให้เราเห็นอยู่แต่เราไม่ใส่ใจเช่นความหลงอย่างเนี้ยความหลงเราไม่เห็นความหลงจริงๆความหลงก็หลอกให้เราหลงอยู่เรื่อยๆความทุกข์เราไม่เห็นความทุกข์จริงๆความทุกข์เขาหลอกให้เราทุกข์อยู่เรื่อยๆความโกรธเราไม่เห็นความโกรธจริงๆความโกรธก็หลอกเราอยู่เรื่อยๆ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 ความทุกข์ก่เพื่อสร้างความทุกข์ไปเรื่อยๆแต่พึทตะเพื่อไปแต่เรามีสติแยบคลายดีๆความหลงเป็นเหตุให้เกิดความรู้เลยสบายเลยโอ้ความหลงมันเป็นเหตุให้เกิดความรู้คนหลงเทไ้รู้สึกตัวไม่เสียหายไม่ได้ไปกับมันเลยปรมันต่างกันอยู่ดูไปดูมาดูไปดูา่า ความหลงี่ได้รู้ความหลงก็หมดไปวอดไปหายไปอธรรมย่อมทำย่อมชนะอาธรรมอยู่เสมอความหลงไม่เป็นธรรมดอกความรู้สึกตัวเป็นธรรมกว่าใช่ได้ความหลงไม่ใช่ไม่ได้เลยถ้าดูดีๆถ้าเราเยี่ยบใครดีๆนะหลงสักสองสามครั้งเราก็รู้แล้วรู้เท่าแล้วรู้ทันแล้ว แต่เราไม่แยบคลายเนี่หลงลอยคลั่งพัน น, นก็ยังหลงอยู่นั่นแหละความหลงยังลอยนวนอันเขาเขียนภาพไปฝาผนังศาลาเขาเขียนคําว่ากิเลสกิเลสเขียนเป็นรูปหมาตัวนึ่งถ้าอ่านดูแล้วว่ากิเลสแต่มันเป็นรูปหมาตัวนั่นเขาเขียนศินละปนะแล้ว เขียนกินเลดแล้วก็เป็นรูปเป็นรูปหมาตัวนะึ่งอย่าปล่อยให้กินเลดเป็นรอยนวลนเขียนอะไ้นะี่หมายถึงความหลงนะครัพรถ้ามันหลงเนี่ยดีมีประโยชน์เพราะเราจะได้รู้สึกตัวดูดีๆสิหลงอะไรหลงกายเห็นความหลงเห็นความคิด เห็นรูปเห็นรูปเห็นนามเห็นความหลงเห็นเป็นอาการความหลงดูไปดูมาความโกรธดูไปดูมาความทุกข์ดูไปดูมาความร้อนความหนาวดูไปดูมาความปวดความมื่ยดูไปดูมาความสุขความทุกข์ดูไปดูมาโอ้มันเป็นอาการเป็นอาการของกายของใจแค่นั้นเองแล้วก็ ไม่มีน้ำหนักกันหลยถ้าเราดูดีๆเนี่ยไม่มีน้ำหนักแต่ก่อนความหลงไม่น้ำหนักฟัดเราส่งเราไปสุดเหวี่ยงกลายไปเป็นความโกรธความทุกข์ความยินดียินไล่ไปน้องแต่ถ้าเรามีจิตใจแยกคลยดูดีๆนะสร้างสิ่งไว้ร่มดีๆมันกับน้าที่มันนิ่งปลามันบ้อนก็เห็นทันที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 เห็นแล้วรู้แล้วรู้แล้วเหมือนหลวงพ่อว่ามามนหลวงพ่อปวดฟันนะไปหาหมอพอหมอทำไมคนหมอฟันฟันยงปวดอยู่ดีๆมันปวดเนี่ยมันเป็นอะไรไปหาหมอหมอก็ดูหมอเขาดูไปดูว่าโอ้รู้แล้วรู้แล้วหลวงพ่อฟันมันเป็นรูจนถึงลากตัวนะเนี่ยมันมีอะไรมาปิดรูปันเนี่ยแล้วก็เขี่ยออก มันก็หายปวดเขาเห็นเขาเห็นสมมตฐานเขาดูออกชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันก็มีเหตุมีปัจจัยของเขาอยู่ไม่ใช่จะทุกข์จะพึ่งพือไปไม่ใช่จะสุขจะพึ่งพือไปไม่ใช่จะโกรธจะพึ่งพึ่งไปไม่ใช่จะร้งกจะพึ่งพือไป มันหลงอยู่ตรงตรงไหนก็ไม่หลงก็อยู่ตรงนั้นไปไม่ไกลมันโกรธอยู่ตรงไหนก็ไม่โกรธก็อยู่ตรงนั้นมันทุกข์อยู่ตรงไหนก็ไม่ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นดูดีๆของจะมันอยู่ด้วยกันในชีวิตเรามันมีคู่มองมองแบบมีคู่พอมันโกรธก็มองแบบไม่โกรธก็มีอยู่มันหลงก็มองแบบไม่หลงก็มีอยู่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 แต่ถ้าเราไม่เฉลยความโกรธก็ไม่ค่าความทุกข์ก็ไม่ค่าความโลภ ค, ความหลงก็ไม่ค่าผมรู้สึกตัวเฉเลยหมดค่าเลยเหลือศูนย์ไม่มีค่าแม้แต่จะโกรธ ก, ก, ก็โกรธไม่ได้เพราะไม่มีค่าอะไรไม่ถูกต้องแล้วแต่รู้สึกตัวมันเหลือศูนย์แล้วเหลือศูนย์แล้ววิธี่มันเหลือศูนย์ตั้งต้นจากศูนย์มันจึงถูกต้อง เหมือนเราไปเติมน้ำมันถ้ า, อาคอมพิวเตอร์หน้าจอปั๊มน้ำมันเขาไม่มีศูนย์ตั้งแล้วแสดงว่าไม่ถูกต้องปั๊มนั่นใช้ไฟตาเมืนไปเติมปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง <c oughs> ที่ไปทุ่งกำหมังพอเติมปั๊บหกรอยบาท เราดูตัวเลขหลวพ่อเลยบอกเขาหยุดทาไมเป็นอย่างนี้อาวุโหลวงพ่อมันตัวเลขมันตั้งไปสองรอยแล้วหนูจะลบไห้หนูจะลบไม่แต่เราไม่ดูก็เขาก็บวกสองรอยไปเลยเป็นหกรอยบาทแทนที่จะเสียเงินสี่รอยบาทเสียเงินเป็นหกร้อยบาททำไมฟั่มคุณเป็นอย่างนี้มันเสียมันเสียมันเสียมันตั้งไม่ได้ตั้งที่ศูน เราเราก็เลยผิดเพี้ยนไปพระเจา้าอันนชีวิตของเราเหมือนกันมันมีค่าอะไรความโกรธก็มีค่าความทุกข์ก็มีค่าถ้าเราทําให้มันถูกต้องมันไม่มีค่าไม่มีค่าจริงๆความโกรธความทุกข์ความรักความจังไม่มีค่ามันเป็นอาการปกติมีค่ากว่า ปกตินี่เป็นค่าชนะีวิตจกิงๆเราก็ทำตามความโกรธโดดตึกตายบ้างแนขนคอตายบ้างข้าตัวตางอกหักเสียอกเสียใจเพราะมันมีค่าแล้วของไม่มีค่าก็เห็ดก็ไปทำให้มันมีค่าขึ้นแล้วก็ผิดพลาดอยู่แค่ไหนมันไม่มีจริงๆมันคนมอดีโลกพูดแ่า มันไม่มีค่าเราไปนึกว่ามันเป็นตัวเป็นตนยิงๆมันไม่ใช่ะลองดูดีๆดูกายเคลื่อนไหวไปมาโอ้มันมีตัวรูปตัวรูปมันเห็นพอมันชิดพับมันก็เห็นโอ้มันหลงเห็นปบะแต่ก่อนความคิดม่ีค่ามาไปไกลไปยินดีไปยินร้ายไปชอบไปไม่ชอบไปยึดไมมีค่าไปไปพอมาดูยิงพอมชิดพับโอ้ ความคิดมันเกิดขึ้นเพราะหลงถ้าไม่หลงก็คิดไม่ได้มรู้สึกตัวมันก็รู้เหยีนี่ยคิดมันมีสองอย่างอันหนึ่งตั้งใจคิดอันตั้งใจคิดไม่ค่อยอยากคิดหรอกอันก็ไปเป็นการบ้านอันครูให้การบ้านเด็กนักเรียนให้ไปคิดเรื่องนี้ดูไม่อยากคิดทิ้งไว้นังนแหละแต่คิดแบบหนึ่งความลักคิดที่ไม่ได้ตั้งใจ ตัวนี้เป็นตัวขยันเขาเรียกว่าสมุทรไทยหรือ ว, ว่าสังขารขยันตัวนี้พนะออยากคิดมันก็คิดเวลานอนก็หาเรื่องไว้คิดคิดโน่นคิดนี้ออกไปเป็นเรื่องเวลาคิดไปทั้งทั้งที่มันไม่ใช่ของจริงอะไะก็ลปล่อยให้มันลอยนวลอยู่หนึ่งชั่วโมงว่างสองชั่วโมงบ้างคิดไปคิดไปเอ้ากัดต่อดตัวเองทำใจร้อยเพรียดขึ้นมานอาไม่หลับ แล้วมันมีตัวเป็นตนเิงไหมเห็นความคิดนะเราเคยดูกันไหมไม่เคยเห็นเลยหลวงพอ่สพอสช่ไหมป๋อสามสิบปีอายุสามสิบปีไม่รู้เลยเรื่องเนี่ยนอนอยู่เฉยๆก็โกรธไม่มีใครมาดูมาดา่าก็อดเพราะความคิดตัวเองเป็นทุกข์เพราะความคิดตัวเองมีไหมโยมฮะมีไหอ <laughs> ไม่มีใครมาว่าเลยคิดขึ้นมาแล้วอ๋อทำตาอะไรเลย ออนไม่หลับเลยอ่าบางทีเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเข้าไฆ่ามันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมกบฏกันฝันคิดขึ้นว่าโง่ว้โอ๊ยหลวงพ่อมาพบหลวงพ่อเทียนให้ดูคนคิดอย่าเข้าไปในความคิดหลวงพ่อเทียนบอกอย่าเข้าไปในความคิดถ้าเห็นมันคิดพอกไม่คิดแล้วกลับว่า พอมาทําดนจริงๆมันตรงนี้แน่นอนพอมีสติเมือกับแสงสว่างความคิดเหมือนกับความมืดความมืดกับแสงสว่างมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเมื่อมีแสงสว่างนานๆหนึ่งชั่วโมงความมืดก็ไม่มีหนึ่งชั่วโมง แสงสว่างสองชั่วโมงความมืดก็ไม่มีทั้งสองชั่วโมงแสงสว่างไม่ยี่สสี่ชั่วโมงความมืดก็ไม่มียี่สิบสี่ชั่วโมงแต่เป็นความมืดในชีวิตหมายถึงความหลงเอาลองดูมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ไปนะเมื่อไม่มีโอกาสหลงมีแต่ตัวลูปคลองคก้มหลงก็หมดเชื่อได้นะเหมือนเข้าปลูกที่เราเอาไว้ทําพันุ์ เมื่อมันไม่ได้กิ่นอายของฝนเก็บไว้ในดุกยุ่งในฉานสองปีสามปีไม่เอามาสัมผัสกับดินกับน้ํามันก็หมดเชื่อได้นะครับเอาไปหว่านไม่งอกเลยใช้ไหมโยมเม็ดถั่วเม็ดงาทุากคนถ้าเก็บไว้นานเกินไปเอาไปพาะไปหว่านไม่เกิดไม่ออกหนอกไม่งอกเลย ตัวโลภตัวโกรธตัวหลง ต, ตัวทุกข์ในค้อมอลกันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติไม่ใช่เหตุใช่ผลไม่ใชอ่อะไรทั้งหมดอยู่กับการกระทำไอ้เรารู้สึกตัวหนึ่งวันสองวันรู้สึกตัว1ึงชั่วโมงสองชั่วโมงกันทำตามที่พระพุทธเจ้าท้าทายเอาไว้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 โอ้ยมันไม่ใช่พนาคานมีพนาคามีไปรอบเดียวแล้วแม่มีก็นิดหน่อยเบาบางถ้าเป็นความโกรธก็ยี่สิบห้าเปอร์เซนเบาไหมยี่ห้าเปอร์ซตดชนร0อยเปอร์เซนโสดาบันเจ็ดสิห้าเปอร์ซนตกีทาคามีห้าสิบเปอร์เซนนาคามีย5ี่สิบ้าเปอร์เซ็นตเบาไหมถ้าเป็นความร้อนก็ยี่บห้าองศาใช่ไหม ไม่ต้มอะไรไม่สุกถ้าเป็นความหนาวก็ไม่หนาวมากแต่เป็นความร้อนก็ไม่ร้อนมากไม่ถึงกับทําให้เสียหายรอบเดียวไปได้เลยพ้นไปเลยรอบเดียวพ้นไปเลยผ่านไปแต่พึ่งแตพื้อผ่านไปแตพ่ตพึเรื่องเดียวทุกแล้วทุกอีก โ, โกรธแล้วโกรธอีกหลงแล้วหลงอีกใช่ไหม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 ก็มีหวังอายุไม่เยอะตายง่ายถ้าแม่มันโกรธบ่อยบ่อยถ้าแม่มันโกรธบ่อยบ่อยรับก็ตายหรอกเพราะว่ากันอย่างนี้เลยนะทุกคเราโกรธพวกคนอื่นทำํำไมเราโกรธมันเสียเปลียบเสียเปรียบปะเขาน่ยไม่อะไรด้วยอะไรเขาทําให้เราโกรธเขาทําให้เราทุกทำให้ยังเป็นอย่างนั้นอุตุชนเนี่ยร้อยทั้งร้อยเป็นทุกข์พวกคนอื่น เป็นทุกข์เพราะว่ตถุอื่นสิ่งอื่นทําให้เราเป็นทุกข์ตัวเราเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วมันมันเป็นอย่างนั้นจริงรปัดนี้เรามาดูมารู้มาเห็นเลยมันไม่ใช่คนอื่นไม่เกี่ยวเลยรู้กับเราถ้าเรารู้สึกตัวจะมั่นใจมามมั่นใจเนี่ยเราอยู่ของเราเรารู้อยู่เนะี่ย เราลู่เราเห็นมันอยู่เนี่ยของที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะทําอะไรให้เราได้เราจงมาสร้างความรู้สตัวลองหลบพ่อจะมีคําถามดูสิเอาทุกคนเอามือวางไว้บนเขา่าเอามือวางไว้บนเขา่าดูจากเข่าไห ม, มวางไว้บนขา่าข่วมไว้นะเดี๋ยวนี้มือเราอยู่ที่ไหนอะไรเห็นว่ามืออยู่ที่เข่านั้น อะไรลู่ว่ามืออยู่บนเขานะฮะถ้าใครบอกว่ามือของเราอยู่ที่อื่นจะเชื่อไหมมั่นใจว่าหมายว่ามืออยู่บนเขามั่นใจไหมมั่นใจนะใครจะบอกว่ามือของฉันขับจูอ่ข้างหลังเราจะเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะเราเห็นใช่ไหมเราเห็นกายของมือเข า, เาวางอยู่บน ตะแคงมือตั้งข้างขวาตั้งไว้ด้วยซี้ตะแคงตั้งไว้ด้สิซตะแคงหรือยังมั่นใจว่าหมาว่ามือข้างขวาตะแคงอยู่มีคําถามไหมว่ามือของข้างขวาของฉันอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรมีคําถามไหมไม่มีคําถามใครเป็นคนรู้เรารู้เองสัจธรรมไม่มีคําถาม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 จงมาดูกายเคลื่อนไปเมื่อดูกายก็เห็นความคิดเห็นความหลงเห็นอะไรต่างๆเห็นเห็นเห็นรู้เห็นพบเห็นมันจะเกิดการเห็นไปเห็นไปเห็นไปเห็นไปตัวเห็นก่นําเลยปะนตัวเห็นเนี่เป็นตัวไม่ใช่คําว่าเห็นเฉยๆเป็นญาณด้วยเห็นเนี่ยเป็นญาณเป็นฌานเป็นมรรคเห็นเนี่ยเลื่อนทนะไปเรื่อย เป็นมรเป็นผลเบื้องต้นคือความรู้เจกตัวท่ามกลางคือความรู้เจกตัวที่สุดก็คือความรู้เจกตัวเรามาเริ่มต้น ต, นตรงไหนกันมาพิสูจน์กันดูหลวงพ่อจะพาลุยโลกถ้าเห็นแล้วนะไปกลัวอะไรโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้แม้แต่นเนนทาก็กลัวแล้วสรรเสริญก็กลัวแล้วสุขก็กลัวแล้ทุกข์ก็กลัวแล้ว ความสุขความทุกข์นินทาสรรเสริญเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาสรรเสริญคนก็จังมีปัญหาอยู่แค่นี้ก็ยังไปไม่รอดมันจะอยู่กับโลกได้ยังไงยิ่งทุกวันนี้นะถ้าไม่มีคนธรรมแล้วจะเป็นคนที้แพ้ที่จะร้บรสชาติของโลกมันรุนแรงทำให้เราเป็นทุกข์ อ, อมทุกมันจะมีประโยชน์อะไรคิวิจเรานี่หลักหลักสูตรของคิวิจเราเรียนให้มันจบถ้าจบตรงนี้เราลุยเลยโลกนะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเหมือนกับถ้าจะพระพุทธเจ้าเพระพุทธองค์เขาว่ารู้โลกอย่างแกมแฉ่งโลกกวิถีรู้แล้วรู้แล้ว เขาก็รู้แล้วเนี่ยเห็นไะไเห็นความไม่เที่ยงก็รู้แล้วเห็นความเป็นทุกข์ก็รู้แล้วเห็นความไม่ใช่ตัวตนก็รู้แล้วถ้าเราไม่รู้ความไม่เที่ยงภายเราเป็นทุกข์มีไหมมีไหมสิ่งที่ไม่เที่ยงภายเราเป็นทุกข์มีไหมสิ่งที่เป็นทุกข์ภายเราเป็นทุกข์มีไหม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 เห็นแต่วันที่ไปปฏิบัติทำพุทธมนตรใช่ไหมเห็นมาบวดลูกบวดหลานเห็นไาประจําก็ได้ทันทีเพราะผ่านสายตาตาเนื้อเห็นหน้ากันเห็นแล้วไม่ใช่เห็นเฉยๆมันเห็นเออเป็นคนมีอสินมือทำเนาะเป็นคนมือคนมาทําความลูกเพื่งพาใส่เป็นเม็ดเป็นยอดอันเห็นไม่ใช่เห็นแค่เห็นเฉย การมาเห็นกายของเราการไว้เห็นใจของเรานะี่ยเห็นบ่อยๆมันก็จําได้มันชี้หน้ามันไดอันนี้คือกายคือรูปเห็นอะไรที่มันเกิดความร้อนความหนาวเนี่ยมันคืออาการตรอนสุขความทุกข์มันเป็นอาการของรูปของน้ํามันไม่ใช่ตัวใช่ต้นแต่ก่อนเราไม่รู้เราไม่ได้เห็นก็มีตัวมีตนเป็นตัวเป็นต้นตไปทั้งหมด ความร้อนก็คือเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความร้อนความหนาวก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความหนาวความสุขก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความสุขความทุกข์ก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความทุกข์ผมพ่อก็เลยมีวิธีสอนว่าเช่นความปวดเป็นผู้ปวดปวดมปวดขาไหมดู่นั่งอยู่สอง เกือบชั่วโมงกวปวดขาไหมปวดเป็นผู้ปวดหรือว่าเห็นมันปวดอถ้าเป็นผู้ปวดยัง <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ปวดหรือเห็นมันปวดออโอ้ยโอ้ยตายตายน่ะ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 แต่ก่อนมันบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวตายตายตายแย่แย่มันหมดตัวไปมันเป็นใช่ไหมวันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นผู้ปวดหรือเห็นมันปวดถ้าเป็นผู้ปวดแต่ว่ามีตั ว, ม, ตวมีตนอยู่ในการปวดวันนี้ถ้านักกรรมฐานเห็นมันปวดทําได้ไหมเห็นมันปวดก็เป็นผู้ปวดต่างกันไหมต่างกันไหม เออพากคาถาฐานก็จะไปยังั้นนะ เ, เห็นมันปวดกับเป็นผู้ปวด เ, เห็นมันปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวดคำพ่าเห็นเนี่ยมันออกมาดูแล้วไม่ได้อยู่กับความปวดวิธีที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายยกออามา น, ะนี่ยทธิวิธีฝึกกัน เ, เห็นมันปวดไม่ได้เป็นผู้ปวด เกี่ยวข้องกับความพอดย่างไงเกี่ยวข้องกับควมมามหนาวอย่างไงเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยางไงดูถ้าเห็นแล้วหลุดพนด้นแล้ถ้าเป็นเราหลุดพ้นไ้อยะมันหิวหิวไหมเมื่อใดกินข้าวเย็นวนะันนีะหมอทั้งหลายหิวไหเป็นผู้หิวหรือเห็นมันหิว <laughs> ถ้าเป็นผู้หิวโอ้ยทุกข์มากนะ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 ถ้าเป็นผู้ทุกข์อยู่กับความทุกข์ถ้าเห็นมันทุกข์ออกมาดูแอือมันมีช่องทางแก้ละเมื่อก็่าวเห็นโลกถ้าเห็นแล้วก็รับรองว่าหาแล้วจึงมาดูเห็นไหมเห็นกายไหมเห็นมันคิดไหมเป็นผู้คิดหรือเห็นมันคิดเป็นผู้โกรธหรือเห็นมันโกรธเป็นผู้เครียดหรือเห็นมันเครียดเป็นผู้ง่วงหรือเห็นมันง่วง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 ดีไหมะทุกข์หรือสุขหิวข้าวทุกข์ไหมทำไมทุกข์หิวข้าวาเป็นเรื่องดีไ ม, ด ไ, มไม่หิวดีไหมนะไม่หิวดีไหมไม่หิวตายลูกเดียวตายลูกเดียวเอาข้าวมากินกูไ่หิวกูไ่กินกินว่นแรกยังไม่เกินเจ็ดวัน <laughs> ไม่เกินเจ็ดวันตายเลย ถ้าหิวนี่ไม่เกินอีกสี่เสิบชั่วโมงพวกนี้ไรกินแน่นอนไม่ตายแต่ถาห้าหกชั่วโมงยังไม่ตายถ้าหิวนะชื่นใจเลยอกินน้ำลงไปนะน้ำขวดดื่มลงไปอยากให้ท้องมันว่าถ้าไม่หิวเนี่ยตายแน่ๆ แ, แล้วทำไมเราจึงทุกข์เมล่มันหิวข้าวเราลืมไปลืมว่าโอ้ความหิวมันเป็นธรรมชาติของรูปของเราเนาะมันปกติที่สุด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 ว่าภาษาบ้านเราปัดโถมันกล่องทุกตัว น, นะปัดโถตื่นให้พื่อนตื่นขึ้นมาเลยเพื่นมองโอ้ทุกพอเห็นแล้วก็หลุดไร้กันเถิดเลยเราจึงปฏิบัติลองดูเนาะเจ็ดวันเราจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนคิดว่าจะไม่พาหลงทิศหลงทางวันนี่หลวงพ่อกอ็ดีใจที่เห็นพวกเราเนี่ยหมอหนุหนม่มๆน้อยๆ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 มาศึกษาชีวิตที่ไม่ทุกข์พ้นทุกข์พ้นปัญหาไม่มีปัญหาเรียกว่าสถามันเราก็สอนอยู่สองลักษณะแต่วันเน้นการภาควิปัสสนาธุระธุระใหญ่ๆสอนเลืกกับวัฏฏานันทธธุระก็สอนกันบ้างต้งมีสอบนักธรรมชั้นโตชั้นตีชั้นเอกได้ อ, อนการสังสินก็มาอยู่สองปีสามปีก็สอบนักธรรมชั้นโทได้ชั้นเอกได้ ในเรียนอยู่แล้ววิปัสนาธุระเป็นหลักตอนเรื่องกรรมฐานเป็นสถาบันเคยชีวิตของเราถ้าใครเรียนไม่จบ ก, ก็เป็นการบ้านเป็นโจทย์ทำให้เราเป็นจำเลยตลอดเวลาความโกรธเป็นจำเลยที่ทําให้เราโกรธอยู่ไปมามทุกเป็นเราเป็นจำเลยของความทุก พอเราจบแล้วจะไม่มีเรั่องอไรในโลกนี้หลวงพอ่อจึงบอกพวกเราอ่าจะพายลุยโลกมันไม่มีอะไรหรอกไม่น่ากลัวเลยลุยมันเลยพวกเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเลยฮะเราก็ตั้งใจสร้างสิง่งแวดล้อมดีเจริญสติสำหรับวันนี้ก็สมควรใจเวลา แต่เราก็กราบพระพร้อ่กัน